อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับรายการที่เปิดสถานีในทุกเช้านะคะก็คือรายการธรรมารับอรุณค่ะในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายนนะคะวันอาทิตย์ที่3มมิถุนายนวันนี้เป็นวันขึ้น สิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดซึ่งก็เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งคิดว่าปีนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะทราบกันดีละค่ะว่าเราได้มีการเฉลิมฉลองหรือที่เราเรียกว่า พ, พุทธยันตี 2,600 ันปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้มีการประกาศที่จะมีการเฉลิมฉลองกันไป ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาถึงวันที่2อันนั้นก็เป็นเรื่องของอจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็ดำเนินการไปแล้ ว, วที่พระทุกฟังทางบ้านที่ตามรับฟังหรือติดตามข่าวจากทางกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะทราบกันดีละค่ะค่ะเช้าวันนี้ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะมากราบน้มสักการพระอาจารย์ไพบุญอภิบุนโน พระอาจารย์ผู้หน่วยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าปิดวาจาอย่างเคร่กคลัดมากของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็คือท่านพระอาจารย์เพียบบุญอภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนำพสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญบอล จาช่วยเจ้าค่ะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแก่นคาสอนของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ อ, อันนี้ก็ยมคิดว่าเป็นการเฉลิมฉลองแหละที่ว่าวันวิสาขบูชาชที่จะถึงนี้แล้วก็เป็นปีที่เรา2 5ง5นี้ก็เป็นปีเฉลิมฉลองทีอ่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงห่างไกลจากกิเลสแล้วก็ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ ได้เผยแผ่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทส่งค้นพบนะเจ้าค่ะด้วยพระองค์เองงา น, นเนี่ยให้เป็นมรดกตกทอดมายาวนานถึงสองพันหกร้อยปีในปีนี้นะเจ้าคะ่ะก็คือพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุตบาทซึ่งอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญเจ้าค่ะว่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงสิ่งที่เป็นต้นนะเจ้าค่ะต้นเหตุว่าว่ามันมียังไงทุกมันมายังไงแล้ววันนี้จะแก้อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีแก้โยมขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบุญเจ้าค่ะว่า พูดย้อนว่าเหตุอีกนิดนึงเป็นการสรุปนะเจ้าคะแล้วเราก็ไปถึงทางแก้กันนี่หมดเจ้าคะเพื่อให้ท่านฟังได้เข้าใ จ, ค, จคือขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพุทธชยันตีนะพุทธชยันตีเนี่ยหมายถึงสองพันหกปีแห่งการตรัสรู้น้ำพุทธคือพระเจ้าใช่ไหมเชยันตีเนี่ยชยันตีเป็นภาษาบาลีแปลว่า2600นะเป็นตัวเลข2600 26ใช่เขาก็จึงพูดว่าพุทธชยันตีเนี่ยก็คือ2600ันหกรยปีแห่งการตรัสรู้มีพุทธเกิดขึ้น ใช่ไหมเราก็เลยเลือกเรื่องที่แหมอาจจะมีความลึกซึ้งนะเป็นแก่นคําสอนพระเจ้าจริงๆนนในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะท่านทั้งหลายบางทีอาจจะยังไม่เคยได้ฟังแต่เป็นเรื่องที่เมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยจะทําให้การวิเคราะห์ธรรมะในการใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ขดที่เข้าใจตรงนี้นะพยายามที่จะมาทําความเข้าใจในะคุณในเป็นส่วนหนึ่งทําให้พระสัตรพัตั้งอยู่ได้นานด้วยนะ อืมเจ้าค่ะเป็นบุญอย่าอันยิ่งใหญ่ด้วยนะเจ้าค่ะใช่ใชจะสืบทอดพระศาสนาต่อไปเจ้าค่ะก็คือว่าเราก็เป็นธรรมทายาทไงเป็นธรรมทายาททายาทของพฤชาโดยธรรมะเราเรื่องนี้มาทําการสังคีติพูดพูดพูดกันต่อหรือว่าสืบทอดกันมาทําการใคร้ควรเนี่ยนี่เป็นเหตุทำให้พระาาธรรมตั้งอยู่ได้นานโอเเนาะในเรื่องของปฏิจจสมบัทตรงนีนะ้เราพูดถึงอาการของจิตของเราเองนะจิตของพฤชาเป็นอย่างนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดในแต่ละอันเนี่ย ต้องพูดนิดหนึ่งว่าพู้เชี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะคือตั้งแต่ก่อนตรัสรู้นะก็ใคร่ครวญเรื่องนี้ในะตรัสรู้มาแล้วยังไม่ได้สอนใครนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักลอยของเด็กเนงแพ้ก็ใคร่ครวญประเด็นนี้ในเวลาอยู่บ่างๆคนเดียวบางทีนะคุณเตือนใจก็ก็สวดออกมาพูดออกมาเหมือนกับร้องเพลงฮัมเพลงอย่างเงี้ยแต่ห้ามออกมาเป็นบทปฏิจจสมุปาถนะพูดคนเดียวออกมา เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพวกมันขึ้นอย่างสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไล่ไปจนกระทั่งถึงเพราะมีอวิชชาจึงมีเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีเวทนามีวิญญาณไล่ไปอย่างเงี้ยนะไล่ไปเรื่อยเรมีพิสุมาแอบฟังอยู่แล้วพิสุมาแอบมามองดูมามองดูพระพุเจ้าแล้วพี่พุทธเจ้าทำอะไรพูดอะไรปุ๊บปรากฏว่าพอพุทธเจ้าพูดจบตรัสจบปุ๊บลืมตาขึ้นมาติ้งอ้าวเห็นพิสุรูปนี้มาแอบมองอยู่แลพุทเจ้าก็ถามว่านี่เธอได้ยินม้้ยยว่่าาเรรรพูููดดอออะไไิิกุปนนบ นะผู้เช่าอกเอจำไม่เลยนะอันนี้ดีมากนะจะเป็นประโยชน์กแกเธอมากๆเลยให้จำเอาไว้ไว่อย่างนั้นแลค่ <Okay. S 1> นะนี่บางทีก็ศาสตรยายตรงนี้ออกมาเป็นมนออกมาท่องบนออกมาเองแล้วค <Okay. S 1> นะ่ะถ้าเราเอามาใช้ก็ดีมกันนะแทนที่จะท่องบทอะไรต่างๆเราก็มาท่องมนตรงนี้นะเป็นแบบคาถาให้เราคลายความทุกข์ได้ก็ดีมกันแล้ว <Okay. Okay. S 1> นะ่ะทีนี้มากลับมาถึงเรื่องของปฏิสุโมบาทงานะตรงว่าการทํางานเป็นคู่ๆเป็นอาศัยกันและการเกิดขึ้น นะเอาเอาเราต้องเข้าใจตรงนี้แกนแท้เลยนะคืออาศัยกันและการเกิดขึ้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรดับอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะํามคำนามนี้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดนังคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็คือเอ้ทำไมจิตของเราเป็นทุกข์ทำไมจิตของฉันเป็นทุกข์ทำไมจิตของฉันเป็นทุกข์อ่าเพราะมันมีเหตุของทุกข์จิตก็เติมมีทุกข์เพราะอะไร นะเพราะจิตของเธอมีการเกิดจิตจิตของเธอไปก้าวลงนะไปเกิดจิตจึงมีทุกข์แล้ไปเกิดอะไรจิตเราไปก้าวลงในโทรศัพท์มือถือก็ได้ก้าวลงในรถก็ได้ก้าวลงในตำแหน่งก็ได้ก้าวลงในของอะไรที่มันเป็นของจับต้องได้ก็มีของจับต้องไม่ได้ก็มีอย่ามาคนยึดถือตำแหน่งมากเนี่ยนะพอฉันไม่ได้มันจะจิตทันทีแต่ว่าจิต <limb. S 2> คุณเนี่ยไปมีการเกิดทั้งๆทีทท่คุณย <electric> ังไม่ได้เลยอืมเจค่ะมันเป็นอย่างนี้จิตจึงเอาจึงมีความทุกข์จึงได้มีความทุกข์มีความเศร้าหมองอะไรต่างๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะ พอจิตที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณไปยึดถือไงนะคุณไปยึดถือมันมีตําแหน่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมมีมีภพนี้ขึ้นมาเนี่ยมีลักษณะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ที่จะให้เราไปยึดถือได้ไปเกิดได้เยจิตเพราะจิตเรามีการยึดถือนะจิมีการยึดถือว่าฉันต้องได้ฉันต้องทําฉันต้องเป็นฉันต้องมีอย่างนี้นะเจ้ค่ะในสิ่งนั้นๆนะเจ้าค่ะตัวนี้ก็โยมอาจจะขอพูดย้ําตรงนี้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลพูดว่าภพภพพอสำเภาพอผ่านเนี่ยเจ้คะ มันจะเป็นเรื่องของสถานที่เกิดใช่ซึ่งก็จะเกิดไปเรื่อยๆอย่างที่อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักชารมานะเจ้าค่ะว่าที่เราอยากได้โทรศัพท์ใหม่พอเราซื้อได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับเกิดพบขึ้นในโทรศัพท์ทันทีก็คือเกิดความรู้สึกผูกพันว่านี่มันเป็นของเราใช่ไม่คุณผู้ชานี่เก่งจริงอาจารย์สอนพอดีเจ้าค่ะพบเนี่ยนะถามว่าอะไรเป็นพบได้บ้างนั่นกระเป๋าตั้งเป็นพบได้ไหมได้เมือถือเป็นพบได้ไหมได้ นะตําแหน่งเป็นภพได้ไหมได้ไดนะภรรยา เ, เป็นภพนักดีการงานใช่ใชเป็นภพได้เป็นเป็นภพที่ที่จะไปยึดถือให้เกิดได้เนะืชื่อเสียงเกียรติยศเป็นภพได้ไหมเป็นภพได้พูดง่ายๆนะขันทั้ง5้าเนี่ยเป็นภพได้จิตเนี่ยไม่มีการไปเกิดในที่ไหนนอกจากขันทั้ง5้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นภพได้หมดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างโทรศัพท์มือถือเป็นอะไรเป็นรูปตําแหน่งเป็นอะไรเป็นสัญญาเป็นสังขารชื่อเสียงเป็นอะไรเป็นสัญญาสังขารอย่างเงี้ย มันมันจึงจิตเราเนี่ยไปก้าวลงได้หมดเลยยึดถืออะไรก็ได้เนี่ยตรงนั้นเป็นพบได้หมดเลยทั้งสิ้นเลยอืมเจ้าค่ะตรงนี้เป็นของเกิดดับด้วยนะโทรศัพท์มือถือพอแตกแล้วพังแล้วอ้าพบนี้ก็พังไปแล้วแลยึดถือไม่ได้อีกนี่เหมือนกายแตกโทรศัพท์แตกอย่างงี้นะมองไปหาว่าที่ใหม่ละจะเกิดใหม่ไปซื้ออันใหม่อะไรอย่างนี้เจ้า่ะถือว่าอย่างเราเกษียณแล้วว่าฉันไปเกิดไม่ได้อีกละในพบตาแหน่งนี้เขาไม่เอาคนเกษียณแล้ว และนี่ก็ดับไปแล้วตายไปแล้วอย่างเงี้ยภพนั้นก็ไม่มีอยู่อย่างเงี้ยนะภพนั้นก็เป็นของเกิดดับเหมือนกันนะเพราะนั้นภพเนี่ยไม่เที่ยงนะภพนี้ไม่เที่ยงนะที่บอกว่าโลกมนุษย์นี่คิดว่าโลกมนุษย์นี่เที่ยงจริงๆไม่เที่ยงนะเป็นหลายๆล้านปีแต่มันก็แตกได้ดับได้ไม่ต้องพูดถึงอะไรถามว่าโทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาของเราเนี่ยก็เป็นภพได้นะอย่างที่อธิบายตรงนี้นะเพราะนั้นท่านโทรศัพท์มือถือแตกพรหรือว่านาฬิกาแตกและนี้ก็ภพนั้นก็ดับไปแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมา เกษียณแล้วมาทําได้พบใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นพบเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าไม่เที่ยงใน11อันเนี้ยสิอันเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยที่จิตมันจะไปก้าวลงได้แต่ละอันลอันเนี่ยไม่เที่ยงทั้งสิ้นเลยจุคาไม่เที่ยงทั้งสิ้นเลยนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงพบก็ไม่เที่ยงอุปทานก็ไม่เที่ยงตัณหาก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยจุคทีนี้ถ้าเราจะอธิบายของแต่ละอันสักนิดหนึงคุณเดินใจ <Okay. S 1> เรามาพูดถึงพบแล้วคือสถานที่เกิด เ, เราขอย้านมาทึกพูดถึงการเกิดหน่อยจิตไป ม, มีการเกิดเนี่ยหมายถึงอะไรนะจิตไปมีการเกิดเนี่ยหมายถึงว่าจิตเนี่ยมีการก้าวลงนีมีการก้าวล ง, ล ม, ลงมีการยึดถือว่าอันนี้เนี่ยการได้มาซึ่งขันขันนั้นว่าอันเนี้ยเป็นเป็นของฉันนีจึงมีการก้าวลงไปในนี <Okay. S 1> ออ้อย่างเช่นว่าสัตว์ที่สมมุติเรามีสัตว์มจุติในขั้นมาดาอย่างเนี้ย เขาก็ก้าวลงมายึดถือเอาเซลล์ที่อยู่ในในขอบท้องมารดาเนี่ยเป็นตัวตนของเขา <Okay. S 1> แล้วก็มีการแบ่งเซลล์มากขึ้นแบ่งเซลล์มากขึ้นจนกลายเป็นตัวบุคคลขึ้นมานะตรงนี้กระบวนการเกิดตรงนี้ผู้เจ้าเกิดพูดถึงว่าคันธภะนะมีกระบวนการเกิดนี่ก็การเกิดอย่างหนึ่งนะชาติคือการเกิดอย่างหนึ่งหรือว่าการเกิดอย่างสมมติว่าเด็กเขาไปเล่นของเล่นอย่างเงี้ยแม่ซื้อมาให้นะเล่นของเล่นอชอบใจนะจิตเขาไปเกิดแล้วนะการเกิดตรงเนี้ยคือการที่เข้าไปยึดถือเนี่ยเป็นตัวตน นะการเกิดมีเพราะว่ามันมีพบมันมีสถานที่เกิดนั่นคือตัวของเล่นใช่ไหมหรือว่าตัว <Okay. S 1> ตําแหนง่งหรือตัวเซลล์ที่อยู่ในในคันมารดานะแล้วที่มันไปมาลงเกิดได้เนี่ยเพราะมันมีอุปทานเนี่ยคือความยึดถือจิตของเราเนี่ยบางทีจิตของเรายังอยู่ตรงนี้ปกติใช่ไหมพอได้โ <Okay. S 1> ทรศัพท์มือถือมาใหม่ปุ๊บพราะจิตเรามีอุปทานมากอ่อนจิตเราจึงไปก้าวลงในนี้เป็นของเราได้ <Okay. S 1> นะไอสัตว์ตัวไหนก็ตามถ้าสมมตเป็นเทวดามาเกิดในคันแม่อย่างเงี้ยแสดงว่าจิตของเทวดาองค์นั้นเนี่ยยังมียังมีอุปทานอยู่ แะจึงละกายนู้นออกมาจุติในคันมารดาอย่างนี้ <Okay. S 2> มาอุบัติในคันมารดานะก็จึงมีการก้าวลงตรงนี้คืออุปทาน <Okay. S 2> คือมีความยึดถืออยู่นะไอ้เจ้าอุปทานนี้เป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากตัณหานะตัณหานี้คือความอยากนะเราพูดไปหลายรอบแล้วนะตัณหาไล่ไปถึงมี ม, มีผัสสะมีตัณหามีเวทนาใช่ไหมที่ต้องการพูดถึงตรงนี้คือเรื่องของสลายตนะนะสลายตนะเนี่ย ที่ทำให้เกิดผัสสะเนี่ยคือมันเป็นสเลยตนะเนี่ยฟังดูอาจจะเข้าใจยากแต่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆก็คือเรียกว่าแค่อายตนะภายในกับอายตนาภายนอกรวมกั น, ค, นคือตากับรูปตากับรูปรวมกันเรียกว่าสเลยตนะหูกับเสียงรวมกันเรียกว่าสเลยตนาเจมูกกับกลิ่นรวมกันเรียกว่าสเลยตนะาทาัทางจมูกลิ้นกับรสชาติต่างๆรวมกันเรียกว่าสเลยตนะทางลิ้นอย่างเงี้ยแล้วพอมันมารวมกับใจของเราสามอย่างเป็นสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะ นะัคือสเ ล, ลตนะบวกกับจิตทางทางลิ้นนะอาหารนะบวกกับรสชาติรสชาติอาหารบวกกับลิ้นของเราแล้วก็บวกใจเข้าไปรับรู้3อย่างนี้เรียกว่าผัสสะแต่เพราะฉะนั้นสเลตนากับผัสสะเนี่ยบางทีผู้ชาบก็ก็ข้ามไปอันใด ห, หนึ่งก็มีนะั่นคือพูดถึงอันเดียวหรือพูดถึง2 อ, อย่างพร้อมกันก็มีนั่นะทีนี้มาถึงนามรูปที่บอกว่าจิตเนี่ยไปมีนามรูปเนี่ยหมายความว่าอย่างไร นัจิตเนี่ยไปมีนามรูปก็คือว่าจิตเนี่ยเขามีช่องทางคือทางกายกับทางใจที่เขาจะออกไปได้นั้นจิตเนี่ยหมายถึงจิตเดิมของเรานะจิตที่เราแบบว่าใสซื่อบริสุทธิ์ในจิตประพัดสอนมั้งนั่นเถอะ <Okay. S 1> นักจิตประพัดสอนเนี่ยทำให้ไปมีเวทนาคือความรู้สึกได้ความรู้สึกเนี่ยเป็นนามในะความรู้สึกคือเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจับต้องไม่ได้ใช่ไหม <Okay. S 1> คือมีเวทนาความหมายรู้ในอดีตอนาคตปัจจุบนันพวกนี้เป็นสัญญา นะความตรีตรฤกปรุงแต่งต่อว่าเอ้ฉันจะไปมีเจตนาอะไร น, นี่ก็เป็นเป็นนามเหมือนกันนะมีการคิดใกล้ครัวอันนี้ก็เป็นนามเหมือนกันมีภาษาพวกนี้ก็เป็นนามหมด <Okay. S 1> นะจิตสามารถไหลออกไปรับรู้สิ่งที่จับต้องไม่ได้พวกนี้ได้นะคือเราพูดถึงยศตําแหน่งอย่างเนี้ยยศตาแหน่งนี้เป็นนามแต่มา <Okay. S 1> เป็นสัญญาเป็นเจตนาเป็นภาษามนุสิการพวกนี้ <Okay. S 1> อนอกจากนี้จิตยังมีไปไหลออกไปทางร่างกายได้อันนี้ก็เรียกว่ารูปนะรูปก็คือธาตุทั้งสี่ใช่ไหมเพราะงั้นกาย กับใจรวมกันเรียกว่าน้ำกับรูปน้ำกับรูปนี่แหละจิตเนี่ยสามารถที่จะไหลออกไปทางสองช่องทางนี้ไดนะ้รวมกันมันก็เลยพลิกผันเอาวาเป็น6ช่องทางนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเจ้าค่ะทีนี้ไอ้ที่น้ำรูปเนี่ยที่จิตไปมีนามรูปได้เนี่ยก็เพราะว่าจิตเนี่ยไปมีการปรุงแต่งนะจิตมีการปรุงแต่งเพราะว่าจิตมีอวิชชาคือความที่เราไม่รู้อันนี้คือสายเกิดที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้เจ้าค่ะมีทั้งหมด11คู่สิบสองคู่ สิบเกู้ 10, ที่12เนี่ยหมายถึงความทุกข์ที่เราเจออยู่ปัจจุบันอยู่แล้วอืเจ้านะจ้าาทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วปัญหาเรามันมามีตรงนี้นี่เราจะทํายังไงดีนะัจะทํายังไงดีให้จิตของเรามีความสบายเกิดขึ้นนะคําตอบก็คือว่าแค่เราสามารถที่จะละนะวางไม่ให้จิตของเราเนี่ยคือมันมี12อาการ1ิบเอาการเนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะมาเป็นเครื่องผูกพันให้จิตของเราเนี่ยไปมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราตัดตรงไหนได้สักตรงใดตรงหนึ่ง นะจิตวางสิ่งใดได้สักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราจะสบายทันทีนั่นหะ ม, มายความว่าอยุ่ตจิตเรามีผัสสะนะจิตเรามีเวทนาถ้าเราวางเวทนาตรงนั้นได้ปุ๊บเราหายเราหายทุกทันทีอนะืหรือว่าจิตเราไปมีความรับรู้เราวางความรับรู้ตรงนั้นได้ปุ๊บเราหายทุกทันทีนะจิตเราไปมีความยึดถือเราความยึดถือตรงนั้นได้ปุ๊บเราหายทุกทันทีนะคือคือ ถ, ถ้าจะพูดถึงความที่มันจะมายึดจิตเราเนี่ยนะมันมีสิบเ็ดช่องสิบเอดอาการสิบ็ดครั้งที่จะมายึดให้จิตเราเนี่ยหนนีไไไไปม่ด้ นี่คือพูดถึงการทำลายของการที่มันจะมาทำลายเรานะนะมัไออสังสารวัตเนี่ยมันจะมายึดจิตของเราเนี่ยหยุดถึงสิบ็ดครั้งด้วยกันตรงนี้คือมีสิบเอ็ดช่องทางที่จะทําให้มันมายึดจิตของเราได้บางทีจิตมีอวิชชาปุ๊บเนึบละจิตมีตนาหนึบละจิตมีภาษาหนึบละมีหนึบนี่คือหมายถึงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นะคือหลงติดไปละใช่คุณก็จะพัวพันนัวเนียอยู่ตรงนี้ตลอดละ อ <Okay. S 2> จะหลุดออกไปไม่ได้ผู้เจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเครือข่ายนะแห่เนี่ยอ้วเนี่ยวานไปในน้ําทะเลอย่างเงี้ยนะในบึงเนี่ยนะบวกหวานไปเนี่ยเขาโผล่หัวงไงก็ต้องอยู่ในสิบเอดอย่างนี้สิบสองอย่างนี้ไม่มีทางหลีกออกจากนี้ไปได้อ <Okay. S 2> คุณจะโผล่มาตรงไหนคุณต้องติดอยู่ตรงนี้คุณจะโผล่มาตรงไหนติดอยู่ตรงนี้จิตคุณจะหลบหลบออกไปไม่ได้ <Okay. S 2> ทีนี้ตรงนี้ก็มองได้อีกมุมหนึ่งบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงไหนได้เนี่ยนี่เป็นช่องทางการแก้ ท, ทันทีแสดงว่าการที่เราจะหลุดออกจาก สังสารวัตรดจากปัญหาของเราที่เรามีในชีวิตเนี่ยยังมีถึงสิบดช่องทางด้วยกันนะไม่ต้องกังวลเลยอย่าไปเครียดว่าโห้เรามันผูกเราแน่นขนาดนี้เราจะไปแก้ตรงไหนแก้รักตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้ก็เกิดผลทันทีนะเราจะสบายใจทันทีนะยกตัวอย่างเช่นว่าไอค้ความทุกข์ของเราเนี่ยจิตที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเอ๊ะทุกข์มันจะดับไปได้ยังไงแล้วทุกข์มันจะดับไปได้ไงพระเจ้าก็าาบอกว่าเอาทุกข์จะดับไปจากจิตได้นะจิตคุณต้องไม่มีการเกิดอย่าไปเกิดในสิ่งนั้นสิ อย่าให้จิตไปยึดถือโทรศัพท์มือถือด้วยความเป็นตัวตนของคุณคุณใช้เฉยๆโดยที่จิตคุณไม่ต้องไปยึดถือได้ไหมอย่างนี้ได้นะสมมุติโทรศัพท์มือถือของสํานักงานเขาเอามาให้อย่างเงี้ย <Okay. S 1> เขาเป็นของฟรีได้มาเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้ซื้อเองเนี่ยเราไม่ค่อยจะถนอมเท่าไหร่แล้วมันจะตกมันจะพังมันจะขูดมันจะขีดอะไรล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีความทุกข์มากเท่าไหร่นั่นคือการที่เราใช้โดยที่เราไม่มีการเกิดในจิตในโทรศัพท์มือถือก้อนนั้นก็คือเราไม่ได้ เอาใจเราว่าอันนี้มันเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละเราก็คลายความทุกข์ไปได้แต่อย่างหนึ่งเพราะจิตไม่มีการเกิดนะมันมีภพไหมมีอยู่แต่ว่าจิตเราไม่ไปก้าวลงไปเกิดก็ไม่มีปัญหาเนา ะ, น ะ, ะ, ะทีนี้ถ้าจะทํายังไงให้ภพะจะทำยังไงให้ก็เรียกว่าปัญหาเนี่ยมันดับไปก็ต้องให้พบดับ แ, แสดงว่าไอ้เจ้าโทรศัพท์มือถือของสํานักงานที่เขาให้เรามาอย่างเงี้ยเป็นของฟรีๆมาอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นพบสําหรับเกิดของเรา ไม่ได้เป็นพบสาหรับที่จิตเราจะไปเกิดได้ <Okay. S 1> สมมติโทรศัพท์มือถือของร้านอย่างเงี้ย เ, เราจิตของเราไม่ไปเกิดตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ที่จะเราไปเกิดได้แตเช่นเดียวกันโทรศัพท์ของมือถือสํานักงานให้เรามาใช้ตรงนี้ก็ไม่ใช่พบก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้พบก็ดับไปตรงนี้พบจึงไม่มี <Okay. S 1> ที่พบไม่มีเนี่ยเพราะว่าจิตของเราไม่มีความยึดถือในตรงนั้นนะ <Okay. S 1> เพราะความยึดถือดับไปพบจึงดับเอาทำไมความยึดถือดับไปได้เพราะอะไรในที่ความยึดถือดับไปได้เพราะมันไม่มีตันหา พอไม่มีตัณหาในความอยากตรงนี้ก็เราไม่อยากได้ละวเขาเอามาให้เราเฉยๆนะความอยากตรงนี้ไม่มีพบจึงดับไปแต่จิตของเราไม่มีความอยากพอจิตของเราไม่มีความอยากในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เพราะอะไรทําไมความอยากดับไปได้ที่ความอยากดับไปได้เนี่ยเพราะว่าเวทนามันดับไปนะเวทนาคือความรู้สึกว่าเราพอใจไม่พอใจหรือว่าทั้งพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่มันไม่มีในในสิ่งสิ่งนั้นที่มันไม่มีในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเพราะเหตุปัจจัยอะไรเพราะว่ามันไม่มีผัสสะ นะภาษาในที่นี้หมายถึงการสัมผัสแลนะสัมผัสที่เราจะต้องไปเข้าไปรับรู้ยึดถือว่าอันนี้เป็นเป็นของที่เราจะต้องมีต้องใช้เนะพราะภาษาดับไปสรายตนาดับไปนะก็นั่นก็เพราะ ว, ว่านามรูปเนี่ยดับไปนามรูปดับเนี่ยสรายตนาจึงดับสรายตนาดับเนี่ยภาษาจึงดับดับออกจากความรู้ของจิตนะที่มันดับไปได้เนี่ยก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งจิตของเราไม่มีการปรุงแต่งว่าอันนี้ต้องเป็นของฉันอันนี้ต้องเป็น ฉันต้องใช้อันนี้โทนะรศัพท์มือถือที่ธนาการที่สำนักงานเขาให้มานะที่เป็นอย่างนันเพราะวา่าจิตของเรามีวิชาเกิดขึ้นวิวิชาเนี่ยความไม่รู้ที่จะไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เนี่ยมันมันดับไปนล้นดับไปได้เพราะอะไรเพราะมีวิชาเกิดขึ้นนะมีวิชาเกิดขึ้นมาจากอะไรนะมีวิชาเนี่ยหมายถึงความรู้ที่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้พูดกันง่ายๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นว่าของเด็กเล่นสมัยก่อนที่เรามี สมมติของเด็กเ่นสมัยก่อนเรามีเนี่มีตุ๊กตาบาบี้ใช่ไหมมีม็อกข้าวมะแกงลิงมีตัวต่อเลโก้มีลูกหินมีลูกคางพวกนี้นะกระโดดหนังสติกอะไรพวกนี้จักรยานสามล้อที่พวกเรามีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยึดถือเป็นตัวตนมากๆเลยว่านี่เป็นของฉันเท่านั้นคนอื่นแตะไม่ได้นะแตะนี่เป็นเรื่องเลยสมัยเด็กๆนะพวกของเล่นพวกนี้บางทีหวงมากเจ้า่ะหวงมากเลยเพราะเรามีอวิชชาอยู่เราเด็กเนี่ยยังมีอวิชชาว่าอันนี้ แดดไม่ได้เลยเราจมีความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงก็ได้นะไม่ต้องปรุงว่าอันนี้เป็นของฉันก็ได้ไม่ต้องปรุงว่าอันนี้เป็นของที่ฉันจะต้องมีคนเดียวเท่านั้นก็ได้นะเพราะความไม่รู้ตรงนี้แต่พอเราโตขึ้นมาแล้วนะโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีความรู้เกิดขึ้นมาอา้าวนี่มันแค่ของเด็กเล่นนี่นา <Okay. S 1> มันไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่ของเด็กเล่นนะพอเรามีความมีวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาดับไปใช่ไจากจิตของเราเราโตแล้วนะพอเอวิชาดับไปจากจิตของเราเนี่ยจิตของเราก็ ไม่มีการปรุงแต่งต่อว่าอันนี้จะต้องเป็นของฉันอย่างเดียวเพราะจิตของเราไม่ไปปรุงแต่งต่อจิตก็ไม่มีการไปทําหน้าที่รับรู้จิตคือไม่มีวิญญาณนะวิญญาณดับไปจากความรู้ของจิตพะจิตไม่ต้องไปทําหน้าที่วิญญาณในของเล่นเหล่านั้นจิตก็ไม่ไปก้าวลงในนามรูปไม่มีนามรูปที่จะเข้าไปยึดถือว่าไอ้พวกนี้เป็นของเราพราะจิตไม่มีนามรูปเคือของเด็กเล่นไม่บัตรกฏว่าอยู่ในเครือข่ายของนามของรูปของเราในในจิตของเรา ทําให้สลายตนนะก็ดับไปผัสสะก็ดับไปนะมันไม่มีช่องทางที่จะให้จิตเนี่ยไปออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเราไม่สนมันตั้งแต่แรกแล้วนี่เราไม่สนของเด็กเล่นนี่ตั้งแต่เราโตมาใช่ไหมทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปมีความไม่มีเวทนาคือความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบหรือจะชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ชก็ไม่ใช่ในของเด็กเล่นเหล่านั้นนะพอเป็นอย่างนั้นแล้วจิตของเราก็ไม่มีความอยากที่จะได้มันหรืออยากที่จะไม่ได้มันนะพอจิตของเราไม่มีความอยากแล้วจิตของเราก็ ไม่มีความยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราเพระจิตของเราไม่มีความยึดถือไอของเล่นเหล่านั้นก็ไม่เป็นภพที่เราจะเข้าไปเก้าไปเกิดได้ที่จะให้จิตของเราไปเกิดได้ไม่เป็นภพอีกต่อไปแพอไม่เป็นภพที่จะให้จิตของเราไปเกิดหน้าจิตของเราก็ไม่ไปเกิดพอจิตของเราไม่ไปก้าวลงสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเราก็สบายไม่มีความทุกข์ใครจะเอาไปใช้ก็ได้เราจะยกให้คนอื่นก็ได้จะบริจาคก็ได้ให้ทําประโยชน์ก็ได้อย่างนี้ค่ะก็คือเราไม่ได้ไป ยึดถือสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเรานะเจ้าคะใช่เจ้าจคะด <prone> ังนั้นก็ไม่เกิดความทุกข์กจากการที่เราไปยึดถือสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราใช่ค่ะเจ้าค ะ, าคะทีนี้ไอ้วิชาตรงนี้ที่อตาตมาบะวะวะวะอกว่าอวิชาดับไปนี่วิชาเกิดขึ้นเนี่ยนะวิชาเกิดขึ้นและอวิชาดับไปเนี่ยมันเป็นเรื่องๆไปนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือของอวิชานี่ยคืออวิชาจริงๆมันค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปนี่ยคือถ้าอวิชาเราจางคลายไปมากเท่าไหร่ความทุกข์เราจะน้อยลงเท่านั้น คือไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ๆปึ๊บเปิดไฟโพสทุกอย่างสว่างแจ้งเลยอวิชชาดับไปหมดพวดไม่ใช่อย่างนั้น <Okay. S 1> นะครับพระเจ้าพูดถึงความจางคลายจางคลายจางคลายไปนะคือความลดนั <Okay. S 1> ่นไปเหมือนกระไหลทะเลเนี่ยมันค่อยๆลดไปลดไปลดไ ป, ดไปนะคือบางทีเมื่อก่อนเราจี๊ดมากเลยใครมาด่าเราชื่ อ, อนี้นะสมมติ ด, ด่าว่าจุดๆๆด่าอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะกโกรธมากจริงๆริงนะพอเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะไปเราโอ้ยเขาด่าเรามาอย่างเงี้เราไม่กโกรธล ะ, ะแต่ด่าชื่ออื่นยังเกิดอยู่ อย่างงี้นะมันก็จะค่อยๆวางไปได้วางได้เป็นเรื่องๆวางได้เป็นเรื่องๆออ ย, งอย่างนี้นะนี่คือพูดถึงความที่อวิชชาค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปนะยึดตัวอย่างว่าของเด็กเล่นของเราอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเรายึดถือมากเลยตอนนี้เราวางได้แล้วนะเพราะว่าอวิชชาของเรา ด, ดับไปแล้วมีวิชาเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของของเด็กเล่นนีนะ้ต่อไปมันจะมีอีกนะเรื่องของงานแบบนี้เรื่องของสิ่งนี้เรื่องของต้นไม้เรื่องของอะไรที่เราเคยมีความยึดถือมาทั้งหมด มันจะค่อยๆอลอกออกหลุดออกมีวิชาเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับไปอืเจ้าค่ะวิชาในที่นี้หมายถึงความความรู้หรือปัญญาว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าคะวิชาตรงนี้คืออะไรคุณเตืนใจแม่ทามถูกจุดมากเพราะว่าอาจมา จ, าจะไล่มาถึงว่าไอ้วิชาเกิดขึ้นได้ยังไงนะวิชาเนี่ยคือความรู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ความรู้เกิดขึ้นในจิตของฉันว่าจิตของฉันไม่ต้องปรุงแต่งกับสิ่งนี้ก็ได้ สมมุติมีคนมาพูดถึงชื่อนี้ทําให้เราโกรธว่าชั้นชื่อนี้นะเพราะว่าชึบปื๊บชื่อนี้สเสร็จปื๊บเนี่ยถ้าเรามีวิชาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อไอเสียงที่มากระทบเนี่ยเป็นแค่ธาตุลมเฉยๆไม่มีอะไรมากเราจะไม่ยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนะนะอันนี้ประเด็นที่1ทีนี้ว่าไอวิชาตรงนี้ที่พระเจ้าตรัสตื่นเนี่ยก็คือความรู้ในอริยสัจสี น, นั่นเองนะวิชาวิมุตต์ตรงนี้คือความรู้ในอริยสัจสีเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ เราคือเรารู้อันนี้สัตยีใช่ไหมเราจึงไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อละถึงความดับลนะเราไม่ต้องปรุงแต่งต่อนะพอไม่ปรุงแต่งต่อวิชาเกิดอวิชาก็ดับไปทีนี้วิชามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอาศัยเหตุปัจจัยอะไรวิชามันถึงเกิดขึ้นได้นะพระเจ้าก็พูดถึงโพชฌงค์ทั้ง7นะโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยจะทําให้วิชาวิมุติเกิดขึ้นได้นะโพชฌงค์ทั้ง7แปลว่าอะไรโพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็ยังเข้าใจยากอยู่นะ อ ง, ง, องค์ธรรมอย่างการตรัสรูธ้ธรรมก็แปลว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อทําให้เราตรัสรูธ้ธรรมเจ้าค่ะมีอะไรบ้างนะเจ้าค่ะนิส <ao S 1> ตาชี้แจงนิดนึง อ, องค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อทําให้จิตนั้นพร้อมกับการตรัสรู้ธรรมมี7อย่างนะพระเจ้าพูดถึงสตินะสติสัมโพชงคือสตินั่นแหละธรรมวิเชียรสัมโพชงคือการใกล้ครวนธรรมะในสมมติเราเห็นของเด็กเล่นเรารู้ว่านี้เป็นของเด็กเล่นนะนี่คือธรรมวิเยรสัมโพชงเกิดขึ้นหลักนะแล้วอย่างที่3ก็คือพอมีวิเชยรสัมโพชง มีความเพียรวิทยาสัมโพชฌงค์อันที่4ี่ <Okay. S 1> ก็คือปัตสติปีติสัมโพชฌงค์อัที่4อันที่5คือปัตสธิสัมโพชฌงค์อันที่6คือสมาธิสัมโพชฌงค์อัที่7คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์นะเจ็ดอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันทํางานเป็นขั้นเป็นตอนกันอยู่นะสมมุติเรามีสตินะสติแล้วเราจะใคร่ครวญธรรมะได้นะอันนี้อันที่2องนะคือการธรรมวิจยาสัมโพชฌงค์พอเราใคร่ครวญธรรมะชื่อว่าทําความเพียรแล้วนี่เป็นอันที่3เกิดขึ้นคือวิ ร, ริยาสัมโพชฌงค เนะพราะคุณทําความเพียรแล้วเซวคุณจะได้ปีติเกิดขึ้นนะปีติตรงเนี้เป็นปีติสัมโพชงนะพอมีปีติแล้วกายก็จะสงบระ ง, งับตรงนี้เป็นปัสสัทธิสัมโพชงนะอันที่5้านะพอมีกายสงบระ ง, งับแล้วนะัจจิจะมีสมาธิสมาธิตรงนี้คือสมาธิสัมโพชงนะพอมีสมาธินิ่งเฉยอยู่อะไรมากระลบก็นิ่งเฉยได้ความนิ่งเฉยเนี่ยเป็นอุเบขาสัมโพชงนะเป็นอันที่7นะมันก็ไล่กันมาทํางานอย่างนี้พอเจ็อันนี้เกิดปุ๊บเราวางอันแดนหนึ่งได้เราเกิดวิชาเกิดขึ้นนะนี้วิชาเกิดวิชาดับ ทนี้ไอ้เจอย่างเนี้ยอาศัยอะไรเกิดแล้วก็อาศัยสติปัฏฐานทั้งสี่นัสติปัฏฐานทั้ง4นะี่4เนี่ยจะทําให้โพชฌง์ทั้ง7เกิดได้นะัสติปัฏฐานทั้งสี่ก็แปลว่าฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะมีกายเวทนาจิตธรรมพวกนี้นะัสติปัฏฐาน4นะีน่ะจะทําให้โพชฌงเจเกิดได้นะัสติปัฏฐานสี่มันเกิดมาได้ยังไงนะ่ะมันก็เกิดจากการที่เรามารู้ลราหมายใจนะ่ะผ well, ู้รู้ชาบอกว่าอาณาปานสติเนี่ยเป็นธรรมอันเอกที่เมื่อทําแล้วสติปัฏฐานทั้งสจะเกิดขึ้้้นนไดอาาาาสติค <ethnicity> แเาา่เรรมมูลใจ ถ้าเร า, ารู้ลมหายใจเราสังเกตลมหายใจเราอยู่เรื่อยๆเข้าออกเข้าออกเนี่ใช่ไหมเรารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยนะมีสตินะคือถ้าคุณเห็นกายนี้ก็เป็นกายแต่ถ้าคุณเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากลมหายใจนี้ก็เป็นเวทนาถ้าคุณเห็นผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี้ก็เป็นจิตแต่ถ้าธารรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นธรรมะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไล่กล <Molly. S 1> ับอีกครั้งหนึ่งพอเราทำลมหายใจเราเรารู้ลมหายใจเนี่ยจะทำสติปาร์ตทั้งสี่เกิดขึ้นได้สติปารานทั้งสสติตัวนี้คือสติสัมโพชฌงค์สี่สัโพชฌงค์จะทำให้โพชฌงค์ทั้งเจเกิดขึ้นได้และพอมีโพชฌงค์ทั้งเจเกิดแล้วจะทำวิชาวิมุติให้เกิดขึ้นได้พอมีวิชาวิมุติเกิดขึ้นแล้วอวิชชาก็ดับไปจากจิตจิตมีไม่มีอวิชชาแล้วอวิชชาดับไปแล้วจิตก็ไม่ต้องมีการปรุงแต่งเพราะจิตไม่มีการปรุงแต่งจิตก็ตตตต้้้้้้้ออองงงไไไไไมมมมมม่่่ีีีกกกกกาาาาาาาารรรรรรรรเขปปปัับบูููคืววววิิิิญญญณณพจจแลลนน็ใํ พอจิตไม่ต้องก้าวลงในนามรูปแล้วเนี่ยจิตก็ไม่ต้องมีผภาษาไม่ต้องมีสเลยตนะเด่ทั้งสิ้นพอจิตไม่มีภาษาไม่มีสเลตนะวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในความรู้ของจิตพอวิญญาณไม่เกิดขึ้นเวทนาไม่เกิดขึ้นในความรู้ของจิตพอเวทนาไม่เกิดขึ้นในความรู้ของจิตจิตก็ไม่มีตันหาพอจิตไม่มีตันหาแล้วเนี่ยจิตก็ไม่มีความยึดจิตไม่มีความยึดแล้วจิตก็ไม่มีที่ที่จะต้องไปเกิดไม่ต้องไปแคร์อะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรพอจิตไม่ต้องไปไม่ต้องมีภพไม่ต้องมีชาติไม่ต้องมีปัญ อืมเจ้าค่ะก้อนี้ก็คือรายละเอียดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแล้วก็สั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะปีนี้ก็ 2,600 ันหก้อปีละ <laughs> ที่พระองค์ท่านได้ได้แจกแจงไว้นะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นหัวใจหรือเป็นแก่นคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งพระอาจารย์พยบุญอภิปุโนได้เมตตาที่จะมาสากัชษาให้เราได้รับทราบกันนะคะในตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฝังทางบ้านทุกท่านค่ะ รมทั้งผู้จัดรายการเองนั้นเนี่ยก็ได้รู้แจ้งกระจายในธรรมะของพุทธองค์มากขึ้นแล้วนะคะเราจะกลับมาพูด ก, กันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอันนี้จะมีต่ออีกไหมเจ้าคะที่จะใหะ้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเรานั้นเนี่ยได้ลึกซึ้งในธรรมะของพุทธองค์ยิ่งขึ้นนะเจ้าคะจริงๆแล้วตั้งแต่เราจัดรายการมาเนะี่คุณเดินใจเราพูดเรื่องนี้ตลอดเลย เจ้าค่ ะ, ะเปลี่ยนแว่าพูดตรงนั้นบ้างพูดตรงนี้บ้างนะทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังสงสัยก็ถามมาเป็นเฉพาะเจาะจงและกันสงสัยเรื่องอะไรก็ถามมาได้ใช่เจ้าค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้ายมก็จะหยิบยกสิ่งที่ท่านผู้ฟังถามมาหรืออาจจะคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังก็จะได้มาพูดคุยลึกซึ้งกันขึ้นนะเจ้าค่ะสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็คงจะต้องนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้ำสกานขอพระคุณและกราบน้ำสการลาพระอาจารย์ไพบูรุณอภิปุโนะพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมาราปุรุนของเราเพียงแค่นี้นะะค ท่านอยู่ที่วัดป่าดอนไหโซตาบลดอนไฮโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคะ่ะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตพโสท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะเรามากราบลาแล้วก็พบ ก, กันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงของการสากระชาหรือการสนทนาธรรมะนะคะกราบน้ำสก า, ารลาและกราบน้ำสก า, ารขอบคุณอย่างสูงเจ้าขาพระจเจ้า ข, ขาเจริพรอาทูเจ้ขขาค่ะ